ก็วิธีเปรียบเทียบกับพวกอาจารย์ช้างทั้งหลายถ้าจะจับช้างเนี่ยนะถึงถึงตกลงใจถึงว่าช้างช้างตัวใหญ่จริงๆเนี่ยอย่างไรไม่ใช่ไปเห็นอะไรก็รีบทึกทักตกลงใจไปเลยนะไม่ใช่ข้อส3 2สหน้า476็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี้ว่าพราม น, นะพรามนี่หมายถึงใครชานุโสนีพราม จริงชานุโสนีพรามเนี่ยเป็นชื่อของตำแหน่งนะเป็นชื่อของตำแหน่งเป็นแสดงว่าเป็นพวกระดับมหาเสนาบดีของเมือง น, นะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งฐานันดอนใหญ่มากคือถ้าไม่ใช่เป็นคนมียศมีตำแหน่งเนี่ยนะจะแม้จะขีรยยรข่รถโชว์ได้ยังไงใช่ไหมขี่รถก็ถูกคนอื่นเขาปาลงตกจากรถนะถ้าไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจบารมีอะไรจริงๆเนี่ยพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าพราหมณ์ เปรียบเหมือนคนต่อช้างและคนจับช้างเนี่ยนะเข้าไปสู่ป่าช้างเขาเห็นรอยเท้าช้างที่ใหญ่แม้โดยส่วนยาวกว้างและส่วนขวางในป่าช้างนั้นคนต่อช้างผู้ฉลาดจะไม่ตกลงใจก่อนว่าช้างตัวนี้เป็นช้างเชือกใหญ่หนอทําไมอะเห็นรอยเท้าใหญ่แม่ตกลงใจได้สิว่าเป็นต้องช้างตัวใหญ่ถ้าช้างตัวไม่ใหญ่รอยเท้าจะใหญ่ได้ยังไง ถ้าคิดอย่างนี้นะถ้าเป็นเราไปเห็นรอยเท้าคนเดินประทับประทับตรารอยเท้าไว้ที่โคลนเป็นต้นเนี่ยเราต้องบอกโอ้คนนี้ใหญ่จริงๆนะอ้าไปดูขาขาช้างในขาพุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนการช้างทั้งหลายคนต่อช้างคนที่ฉลาดเขาจะไม่พูดหรอกว่าเออเนี่ยช้างนี้ต้องตัวใหญ่ดูจากอะไรรอยเท้ามันใหญ่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าช้างพังทั้งหลายชื่อว่าวามานิกาครือว่าช้างอ่ะรอยเท้าอะ่ะใหญ่จริงแต่ตัวมันค่อมประมาณนั้น เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช้างแบบนั้นก็ได้เห็นแต่รอยเท้าว่ามันใหญ่ก็บอกยังพูดไม่ได้ว่าช้างช้างใหญ่เพราะอะไรเพราะช้างคมกว่านี้ก็เลยต่อไปอีกไปถึงไปถึงที่ไหนไปพบสถานที่ช้างเนี่ยมันเสียดสีเอาไว้เนี่ยนะข้างๆต้นไม้เนี่ยถ้าใครอยู่ในป่านี่จะรู้เลยว่าถ้ารอยของช้างที่มันเสียดสีกิ่งไม้หักในชั้นบนเนี่ยก็จะดูออกเลยว่าต้องเป็นช้างที่สูงใช่ไหมรอยเท้าก็ใหญ่ละ ตัวก็สูงอีกคนต่อช้างผู้ฉลาดคนจับช้างผู้ฉลาดเขาจะไม่ตกลงใจหรอกว่านี้เป็นช้างตัวใหญ่เพราะอะไรเพราะช้างพังชื่อว่าอุจาอจากล า, าริกะเป็นช้างตัวใหญ่ตัวเป็นช้างรอยใหญ่ตัวสูงแต่ไม่ใช่ช้างใหญ่อย่างที่ที่คิดเนี่ยนะก็เลย ต, ติดตามช้างก็ไปพบรอยเท้าช้างใหญ่ที่สีก็ใหญ่ขณะดเดียวกันขนาดอ่ะนะ ตัวขนาดก็คือ ง, งาใช่ไหมงาช้างอ่ะที่ไปชนไว้ตามที่ต่างๆอ่ะเพราะอะไรเพราะแทงไว้สูงมากขนาดเห็นรอยรอยที่อะไรนะรอยของงาใหญ่ที่แทงลงไปตามต้นไม้ต่างๆเขาก็ยังไม่ตกลงใจว่าเป็นช้างเชือกใหญ่นั่นนะเพราะอะไรเพราะมันมีช้างบางตัวชื่อว่าอุจจากเรนุ ก, การอยเท้าช้างใหญ่อาจจะเป็นรอยเท้าช้างช น, นิดนั้นก็ได้ซึ่งไม่ใช่ช้างที่ตัวเอง ประสงแล้วก็เดินติดตามไปไปพบรอยเท้าเท้าช้างเชือกใหญ่นี่นะทั้งยาวทั้งกว้างแล้วก็ที่เสียดสีก็สูงขนายที่แทงเอาไว้ก็สูงกิ่งไม้ที่หักก็สูงช้างตัวนั้นเนี่ยนะไปพบตัวช้างจริงๆเลยซึ่งช้างนั้นอยู่ที่โคนต้นไม้อยู่กลางแจ้งไปพบช้างเดินช้างยืนช้างนั่งหรือช้างนอนก็เลยตกลงใจว่าช้างเชือกนี้ คือช้างใหญ่เชือกนั้นฉันใดแปว่าพบร่องรอยจะต้องเห็นช้างจริงๆแล้วนั่นแหละเจงจะยอมรับว่านี้เป็นช้างตัวใหญ่นี้เป็นช้างเ ช, งชือกใหญ่อุปมาฉันใดอุปมาอก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเห็นแค่ร่องรอยเฉยๆเนี่ยนะเห็นร่องรอยบางอย่างอย่าเพิ่งตกลงใจว่าช้างตัวใหญ่ฉันใดในาศาสนาของเราก็ฉันนั้นข้ออุปมาณี้นั่นแล ว่าพระตถ า, าคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกเนี่ยนะอิทัตถ า, าคตโตโลกเกอุปปโนอรหังสัมมาสัมพุโทโหนี่นะก็พระองค์เกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่ยงกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานผู้จำเนกพระธรรม ทีนี้อันนี้เรียกว่ายกย่องสัพพัญยุตยานหรือสัพพัญยูคุณว่าคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะยืนพื้นที่เอามายกย่องสรรเสริญได้ว่าพุทธคุณ9หรือพุทธคุณสิบเนี่ยนะ 1. อรหังสองสัมมาสัมพุทโธสามิชาจรณะสัมปันโนสสุขโตหโลกวิทูหอนุตตรโปริสธรรมสารติเจสาธาเทวมนุษสานัง แปดพุทโธ9ก้พระขวาเรียกว่าพุทธคุณเก้าในหนึ่งอีกในหนึ่งก็แยกอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิแยกออกจากกันก็จะเป็นพุทธคุณสิบเนี่ยนะพุทธคุณสิบอย่างนี้ก็ชี้เรียกว่าโดยย่อดโดยสังเขปเหมือนกันคุณสมบัติของความเป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะส่วนตถาคตกว่าจะมาเป็นพระสัพพัญยูนี้มาอย่างไรกว่าจะมาเป็นสัพพัญยูก็มาด้วยพระปุพพจริยาคุณมีพระศรีระคุณที่ สมบูรณ์แล้วก็มีพระพุทธคุณดังกล่าวและบำเพ็ญพุทธกิจพระตถาคตพระองค์นั้นเนี่ยนะคำว่าตถาคตพระองค์นั้นแปลว่าผู้มาตามแบบแผนของพุทธวงค์เนี่ยนะที่ได้รับพยากรจากพุทธสํานักของพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์พระตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวลาาลมมโลกมารโลกพรหมโลกซึ่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดา มนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์รู้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ไม่ใช่รู้เก็บไว้คนเดียวนะรู้รแล้วก็พูดไม่ได้ไม่ใช่บอกพระองค์รู้รู้แล้วก็สอนให้คนอื่นรู้ตามทีนี้วิธีสอนของพระองค์สอนอยังไงพระตถาคตนั้นย่อมแสดงธรรมที่ไพเราะคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศ ธรมอาจารย์คือสิกขาสามเนี่ยนะพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะในหน้าหน้าอะไรหน้าที่อธิบายว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมภายเราะในเบื้องต้นภายเราะในถามกลางภายเราะในที่สุดเนี่ยนะในหน้า495 495เ้านี่ยนะาโยธรร ม, มังเทเสติอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานัง ปริโ ย, ายาสารกัลยาณังศาสตร์ทั้งสพยัญชนะงเกวละปริปุนังปริสุทธังบรัมจารยังประกาเศเสสิเนี่ยนะคำว่าโยธรรมังเทเสติอาทิกัลยาณังเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเทศนากับส่วนของาศาสนาส่วนของเทศนาก็เกี่ยวกับเรื่องหลักพยัญชนะเบื้องต้นของสูตรท่ามกลางสูตรและปลายสูตรเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีทุกสูตรเนี่ยดีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและ ที่สุดอันนี้เรียกว่าโดยในยะแห่งเทศนาส่วนในส่วนของาศาสน า, สาศาสนาคือาศาสนาหมายถึงการปฏิบัตินะตรงนี้เทศนากับาศาสนาไม่เหมือนกันเทศนาหมายถึงคำสอนสาศาสนาหมายถึงการปฏิบัติเออพุทธศาสนาก็คือการการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนาตรงกลางหน้าบอกว่าส่วนาศาสนา คืออะไรศีลสมาธิวิปัสนาอันนี้เป็นเบื้องต้นนะศีลสมาธิวิปัสนานี่เป็นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเลยนะเพราะอะไรเพราะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมก็ตอบว่าศีลที่บริสุทธิ์และทิฏฐิที่ตรงนี่แหละชื่อว่าเบื้องต้นของกุศลธรรมเป็นเบื้องต้นของศาสนาพรมจันทร์เบื้องต้นของศาสนพรมจันทร์ เอาแล้วท่ามกลางของศาสนาพรหมณ์จันคืออะไรอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละที่ตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเนี่ยนะทำจากสู่ให้เกิดทำยานให้เกิดทำอะไรปัญญาให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นท่ามกลางของศาสนา เบื้องต้นศีลสมาธิวิปัสสนาท่ามกลางคืออริยมรรตเอาและตอนสุดล่ะอริยผลสามัญญผลทั้งหลายพระนิพพานชื่อว่าเบื้องปลายเหตุที่ยกย่องว่าอริยผลทั้งหลายเป็นเบื้องปลายเพราะพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์พรหมจรรย์นี้มีประโยชน์อย่างนี้มีสาระอย่างนี้มีเบื้องปลายอย่างนี้คืออะไรคือสามัญญผลสี่มันสามัญญผลสีนั่นแหละชื่อว่าเบื้องปลายของ พระศาสนาส่วนอีกในหนึ่งคือพระนิพพานเนี่ยบอกว่านิพพานชื่อว่าเบื้องปลายศาสนาที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอท่านวิสาขะอันนี้เป็นคําของธรรมตินานาภิกษุณีสนทนากับใครนะวิสาขอุบาสกซึ่งวิสาขอุบาสกก็ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นที่บอกว่าท่านวิสาขะการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาอริยมรรคเนี่ยนะที่ยังลงสู่พระนิพพานนั้นการปฏิบัติอริยมรรคก็มีเป้าหมายเพื่อบรรลุพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีพระนิพพานเป็นเบื้องปลายนั้นการเจริญศีลก็เพื่อพระนิพพานการเจริญสมาธิก็เพื่อพระนิพพานการเจริญปัญญาก็เพื่อพระนิพพานศีลสมาธิปัญญารวมเป็นอริยมรรคก็ประชุมลงสู่พระนิพพานเหมือนรบเจ็ดลัดเนี่ยนะ จะขึ้นรถผลัดไหนก็สู่จุดมุ่งหมายฉันใดพระนิพพานถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาสรุปเบื้องต้นเบื้องต้นคืออะไรศีล ส, สมาธิวิปัสนาท่ามกลางอะไรอริยมรรคเบื้องปลายอริยผลและพระนิพพานเรียกว่าเบื้องปลายของพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาของเรามีเบื้องต้นอย่างนี้ท่ามกลางอย่างนี้แล้วก็ เบื้องปลายอย่างนี้จําได้นะพระเมื่อเชา้าเราสวดว่าหายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วภายเราะในเบื้องต้นนึกในใจเลยนะว่าศีล ส, สมาธิและวิปัสสนาภายเราะในท่ามกลางอริยมรรคภายเราะในที่สุดอริยผลนิพพานทรงประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะคือแบบแห่งการปฏิบัติหมายถึงอธิศีลอธิจิต อ, อธิปัญญาพร้อมทั้งอัตถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะเวลาสวดมนต์จะได้เพิ่มอะไร เพิ่มความเข้าใจเข้าไปอีกนะที่นี้เอาย้อนไปย้อนมากลายมาหาผู้ผู้แสดงธรรมอีกว่าเพราะฉะนั้นธรรมกัคตรึกผู้แสดงธรรมเนี่ยผู้ที่บรรยายธรรมผู้ธรร ม, มะก็ต้องพูดให้มีเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สดเอาพูดยังไงอะในหน้า496บอกว่าธรรมมัึกผู้ที่พูดธรร ม, มะแสดงธรร ม, มะเนี่ยพึงแสดงศีเป็น เบื้องตน้นแสดงมัชเป็นเบื้องกลางแสดงนิพานเป็นเบื้องปลายนี้เป็นจุดยืนหรือเป็นหลักการแสดงธรรมของพระธรรมกถึ ก, กไม่ใช่ว่าขึ้นธรรมะแล้วเรียกว่าพูดธรรมะไปหมดไม่ใช่นะหมายถึงว่าผู้ที่พูดธรรมะเนี่ยนะก็คือเบื้องต้นต้องเป็นศีลศีลเป็นเบื้องต้นเลยนะสองมัชเป็นท่ามกลางจบลงที่พระนิพานเพราะฉะนั้นทุกสูตรในพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่กล่าวธรรมจะต้องรู้ว่า คำพูดเนี่ยพูดตัวเองกําลังพูดในเบื้องต้นหรือกําลังพูดในท่ามกลางหรือพูดที่สุดเนี่ยนะก็เรียกว่ามองจัดเรียงลําดับให้เป็นวิสุทธิเจประการนั่นแหล่งเนี่ยนะก็คิดว่าแสดงให้มันรู้ว่าวิสุทธิอะไรเป็นวิสุทธิอะไรปฏิบัติตั้งแต่ไหนเพื่ออะไรเบื้องต้นอยู่ที่ไหนแล้วเบื้องปลายเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะทุกอย่างเนี่ยนะมาร์กเนี่ยแปลว่าเป็นการเดินทางเมื่อการเดินทางก็ก็ต้นต้นอะไรนะต้นขบวน แล้วก็จุดหมายปลายทางไปลงที่อะไรงี้ยนะเคยขึ้นรถไฟไหมคล้ายแบบนั้นนะจากชานชาลาที่หนึ่งจากกรุงเทพสู่เหนือใต้ออกตกกว่ากันไปเนี่ยนะชั้นใดหรือคนที่จะเดินทางโดยเครื่องบินก็ฉันนั้นเหมือนกันจะต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนจะแวะที่อื่นอีกไหมฉันใดคนที่ปฏิบัติเจริญมักทั้งหลายก็ต้องรู้ว่าเออเนี่ยข้อปฏิบัติที่เราเจริญเนี่ยจบลงที่ไหนที่สุดอยู่ที่ ในปฏิบัติเพื่ออะไรและสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนี่ต้องตอบให้ได้และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคนฟังก็ต้องพยายามจะเข้าใจอย่างที่ผู้บอกและผู้บอกก็ต้องพยายามจะบอกว่าเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคืออริยมรรค น, นะเบื้องต้นศีลก็คือศีลสมาธิวิปัสสนาท่ามกลางคืออริยมรรคปลายที่สุดก็คือพระนิพพานเนี่ยนะสามัญญผลศีและพระนิพพานอันนี้เป็นหลักการแสดงธรรม ั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการแสดงธรรมที่มีประโยชน์ศารรสตร์ถังสัพพยัญชนังเนี่ยศนะาสตร์ถังแปลว่าเป็นการสอนแบบมีประโยชน์สอนอะไรสอนสติปัญสัมมปัญญาอิทิบาทอินท ร, ะระียีภละโพชงและองค์มักอย่างที่พระองค์บอกว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยสอนเพื่อความรู้ยิ่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสอนเพื่อความรู้ยิ่งสิ่งนั้นก็คือ โพธิปักขยธรรม37ประการอันประกอบไปด้วยสติประฐานสีสัมมาประธานสี่อิทธิบาท4อินทรี่ห้าพละหา้าโพชองเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะเป็นคําสอนที่พร้อมด้วยพยัญชนะเนี่ยนะไม่ใช่เออเอา่เอาอยู่นั่นแหละว่า ง, งั้นนะไม่รู้เรื่องกันสักทีอย่างเง้ยนะก็เป็นคำเพาะสอนที่อริยศาส์ทั้งสัพยัญชนะประโยชน์คือเพื่อบรรลุมรรคผลพยัญชนะสําเนียงที่ สละสลวยเนี่ยนะแล้วก็เป็นการแสดงธรรมที่หวังประโยชน์เกื้อกูลเป็นคำสอนที่ไร้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง